ทางที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เลิศเพราะว่าไม่มีใครที่จะสามารถปฏิบัติได้เท่ากับมนุษย์และนอกจากได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ยังมีพระบร ม, มศาสดาคือพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสู้ แล้วได้นำเอาทางแห่งการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทางที่นำไปสู่ความสุขที่ถาวรมาส อ, สอนให้แก่พวกเราที่ไม่รู้จักทางถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่มีโอกาส ที่จะได้บรรลุมรคนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันแต่ถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาและได้เป็นมนุษย์เราก็จะมีโอกาสที่จะปฏิบัติและหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้การปฏิบัติจึงเป็นหน้าที่ของพวกเรา เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะนำให้เราได้รับผลอันเลิศอันประเสริฐที่มนุษย์เพิ่งจะขว่คว้าเอามาเป็นสมบัติของตนได้ยังมีพระอาหารหันตสาบุทั้งหลายได้ขว่คว้าและได้นำเอามาเป็นสมบัติของตนแล้ว นับตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่ธรรมะมาจนถึงปัจจุบันก็มีผู้ที่มีความศรัทธามีความเชื่อมีสติปัญญามีวิริยะความอุตสาหะความภาพเพียนที่จะศึกษาและปฏิบัติจน สำเร็จดุลเรื่องได้ผลอันได้อันประเสริฐกลายเป็นพระอาหารหันตสาวุขขึ้นมากันอย่างต่อเนื่องพวกเราก็เป็นเหมือนกับพระอาหารหันตสาวุขทั้งหลายคือในเบื้องต้นก็เป็นผู้ที่ยังมีกิเลสมีความมืดบ่อยมีความหลงแต่หลังจากที่ได้ยินได้ฟังะธรทำคำสอน และรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างก็พยายามปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอปฏิบัติการอย่างไม่ย่อท้อไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งผลอันเลิศอันประเสริฐก็จะเป็นผลของพวกเราอย่างแน่นอนงันข้อสำคัญก็อยู่ที่การศึกษาและการปฏิบัติ อย่างต่อเ น, นื่องเพราะถ้าปล่อยวางไว้หรือทิ้งไว้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติก็จะลืมหรือจะจางหายออกไปจากใจได้พอลืมแล้วก็จะไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ควรจะปฏิบัติก็จะกลับไปปฏิบัติในสิ่งที่เคยปฏิบัติมา เป็นเวลาอันยาวนานก็คือปฏิบัติในทางที่จะให้เวียนว่ายตายเกิดต่อไปปฏิบัติความโลภความโกรธความหลงปฏิบัติความอยากต่างๆดังนั้นเราต้องมันศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้ลืมแล้วก็ต้องมันปฏิบัต เพื่อให้สิ่งที่เราได้ศึกษานั้นปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาภายในใจของเราสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนั้นยังไม่ได้เป็นความจริงคือเป็นเป็นความจันที่เราลืมได้เช่นหลังจากที่เราฟังเทศวันนี้แนละ้วถ้าเราไม่ได้นำเอาไปปฏิบัติเดี๋ยวไม่นานสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้ ก็จะจางหายไปจากใจเราก็จะไม่มีแสงสว่างที่จะพาให้เราไปในทางที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะเดินไปในทางที่จะพาให้เราเวียนว่ายตายเกิดต่อไปดังนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมแล้ว เราต้องปฏิบัติเพื่อให้ธรรมที่เราได้ยินได้ฟังนี้ฝังอยู่ในใจไม่ให้จางหายไปาจากใจของเราถ้าเป็นธรรมที่ปรากฏจากการปฏิบัติแล้วถ้าธรรมปรากฏขึ้นมาในใจแล้วมันก็จะอยู่กับใจไปตลอดมันก็จะเป็นแสงสว่าง พาให้เราได้เดินออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นการศึกษาเพียงอย่างเดียวการได้ยินได้ฟังทมเพียงอย่างเดียวจึงไม่พอเพียงต่อการที่จะนาพาจิตใจให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เม <ith> ื่อได้ศึกษาแล้วก็ต้องปฏิบัติควบคู่กันไป เพราะว่าเราจะไม่สามารถจำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังแล้วนำมาปฏิบัติในวาระเดียวกันได้เพราะว่าธรรมก็มีหลายขั้นด้วยกันเราก็ต้องปฏิบัติไปเป็นขั้นขั้นตั้งแต่ขั้นทานขึ้นไปสู่ขั้นศีล สู่ขั้นภาวนาถ้าเราปฏิบัติเรื่อยๆเราก็จะเห็นผลของการปฏิบัติการเห็นผลนี่ก็แสดงว่าเราเราได้ธรรมะเข้าไปสู่ในใจแล้วได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติแล้วพอเราได้รับประโยชน์เราก็จะมีความยินดีชันทะ วิทยะจิตตะวิมังสาจะเกิดอิทธิบาสสี่ขึ้นมาอิทธิบาสสี่นี้ก็เป็นปัจจัยที่จะผลักดันให้เราได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างขมักขมแน่นนะก็จะทำให้ผลปรากฏขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วดังนั้น ขอให้เราพยายามปฏิบัติให้มากถ้าเรารู้แล้วว่าเราต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างทานนี้เราก็ต้องทำอยู่เรื่อยๆทำให้มากขึ้นไปตามลำดับอย่าอย่าอย่าใช้เงินทองหรือทรัพย์สมบัติต่างๆที่เราหาได้มานี้ไปกับการ รับใช้กิเลตัณหาความโลภความอยากต่างๆเพราะจะเป็นการเลี้ยงกิเลตตัณหาให้มีกำลังมากขึ้นเพื่อจะได้ดึงใจให้เวียนว่ายตายเกิดมากขึ้นไปเราต้องตัดการใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆเพราะความสุขต่างๆที่เราได้จากการ ใช้เงินใช้ทองนี้มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่ไม่ให้ความอิ่มความพอเป็นความสุขที่สร้างความหิวสร้างความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นไปถ้าเราใช้เงินใช้ทองไปตามความโลภตามความอยากเงินทองที่เราหามาได้ก็จะหมดไปเราก็จะต้อง หามาใหม่เพื่อที่เราจะได้มีเงินทองใช้ซื้อความสุขต่างๆต่อไปก็จะเป็นการผูกมัดให้เราต้องอติดอยู่กับวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดวงจรวงจรของการาหาความสุขตามความอยากของกิเลสตัณหา เราจึงควรเอาเงินทองที่เราจะซื้อสิ่งต่างๆซื้อความสุขต่างๆนี้เอามาบริจาคแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเพราะจะทำให้เร า, เาลดความวิโกกลดความอยากแล้วจะทำให้เราไม่ต้องไปเสียเวลากับการหาเงินหาทอง มาใช้ตามความโลภตามความอยากแล้วก็จะทำให้เรามีความเมตตามีความกรุณาความสงสารจะทำให้เราไม่อยากทำบาปก็จะทำให้เราปฏิบัติทำขั้นที่สองได้ก็คือการรักษาสีถ้าเรา รักษาศีลได้ใจเราก็จะมีความสงบเพิ่มมากขึ้นมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเราก็จะเห็นคุณค่าของความสุขที่เกิดจากความสงบที่การทำทานนี้เราก็ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบเนื่องจากว่าเราได้ต่อต้านความโลภความอยากไม่ทําตามความโลภความอยากเช่นอยากจะไปเที่ยว เราก็เอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้มาบริจาคมาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเราก็จะตัดเรื่องการไปเที่ยวได้แล้วเราก็จะไม่ติดกับการจะไปเที่ยวเพราะเมื่อเรามาทำทานมาบริจาคเอาเงินที่เราจะไปเที่ยวนี้มาให้แก่ผู้อื่นก็จะทำให้ใจของเรามีความสงบมีความสุข เมื่อมีความสงบมีความสุขก็ไม่มีความอยากที่จะไปเที่ยวหาความสุขจากการไปเที่ยวนี่คือการสร้างความสุขในระดับแรกด้วยการทำทานด้วยการบริจาคทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆให้แก่ผู้อื่นเพื่อเป็นการสกัดเพื่อเป็นการลดละ กตัหาความโลภความอยากแล้วเป็นการสร้างเวลาให้มีเวลาที่จะได้มาปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปเพราะเมื่อเราไม่ต้องใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเวลากับการหาเงินหาทองถ้าเราจะหาก็หาเท่าที่จำเป็นคือหาเพื่อเลี้ยงดูอัตภาพร่างกาย ซึ่งไม่ต้องใช้เงินทางมากเหมือนกับการเลี้ยงดูกิเลสตัณหาเราก็จะมีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมขั้นที่สามได้คือมาภาวนามารักษาศีลได้มารักษาศีลแปดไ ด, ได้ถ้าเราไม่ทำทานเราก็จะต้องวุ่นวายกับการหาเงิน กับการใช้เงินซื้อความสุขต่างๆเราก็จะไม่สามารถที่จะมีเวลามาภาวนามารักษาศีลแปดได้อย่างมากเราก็อาจจะทำทานบ้างเป็นบางเวลาบางเวลาหอหอมปากหอมคอแล้วก็รักษาศีลบ้างตามโอกาส รักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้ก็ไม่รักษาเพราะความสําคัญของเราไม่ได้อยู่ที่การปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดความสําคัญของเราอยู่ที่การหาความสุขตามอํานาจของความโลภตามอำนาจของความอยากต่างๆาดังนั้นการที่เราจะ ดิ้นน้นให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เราต้องฝืนการใช้เงินไปในทางของความโลภในตามในทางของความอยากเราต้องเอาเงินนี้มาให้ผู้อื่นเพื่อจะได้เป็นการตัดทางเดินของกิเลสตัณหาเพราะเมื่อเราไม่มีเงินที่ ที่เกินความจำเป็นเงินที่จำเป็นเราก็ต้องมีไว้เช่นเงินที่จะต้องใช้ในการดูแลอัตภาพร่างกายของเร า, าถ้าเราไม่มีเงินที่จะไปเที่ยวเราก็จะได้ไม่ต้องไปเที่ยวเมื่อเราไม่ไปเที่ยวเราก็จะได้มีเวลาไปปิกวิเวกไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาเพื่อจะได้รักษาศีลแปด และภาวนาได้การทำทานเป้าหมายจึงอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่เพื่อให้เร า, าเลิกการหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองเลิกการหาเงินหาทองมาเพื่อมาซื้อความสุขต่างๆเมื่อเราไม่ต้องหาเงินหาทองเราก็จะมีเวลาว่างพอ ถ้าเราทำงานเราก็อาจจะทำงานไม่มากแทนที่จะต้องทำเจ็วันเจ็ดคืนเราก็อาจจะทำเพียงวันสองวันพอให้ไดเ้เงินทองที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแล้วเราก็จะได้มีเวลาอีกสี่ห้าวันเพื่อไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมไปรักษาศีลแปดไปภาวนาถ้าเราทำทานแบบนี้ ใจของเราจะมีความเมตตาจะจะรักษาศีลได้อย่างง่ายดายแล้วก็จะมีพื้นฐานคือความสงบของใจที่จะทําให้การภาวนานี้เป็นไปได้ถ้ายังไม่มีทานยังไม่มีศีลใจจะไม่มีความสงบพอที่จะมาภาวนาที่จะมาเจริญสติ ควบคุมความคิดตรงแต่งตางๆเพราะใจจะจ ะ, จะติดพันอยู่กับการคิดหาเงินหาทองคิดใช้เงินใช้ทองคิดรักษาเงินทองจนไม่มีเวลาที่จะมาควบคุมหยุดความคิดได้เพราะความผูกพันความติดพันอยู่กับการหาเงินใช้เงินรักษาเงินทำให้ต้องคิดอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นฐานจึงเป็น <c oughs> การปฏิบัติที่สาคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ยังติดข้องอยู่กับการหาเงินกับการใช้เงินอยู่ถ้ามีเงินที่มากกว่าความจำเป็นที่เราไม่ต้องอาศัยเราก็ควรที่จะโดยจากแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นไป เราจะทำให้ใจเรามีความอิ่มมีความสุขมีความสงบมีความเมตตาสามารถที่จะรักษาสีลห้ารักษาสีงแปดขึ้นไปตามลาดับได้เรารักษาศีงแปดได้เราก็จะภาวนาได้เพราะว่าเราได้ตัดอุปสรรคของการภาวนาคือการะฉันทะไปการะฉันทะนี้ก็คือ การอยากหาความสุขห่างตาหูกระหลกเล่นกายถ้าเราถือศิลแบบเราก็จะมีรั้วมีกำแพงกัน้นไม่ให้เราออกไปหาความสุขเช่นไม่ให้เราไปหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารแบบไม่มีเวลาเวลา ไม่ให้เราหาความสุขจากเครื่องบันเทิงต่างๆไม่ให้หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งกายด้วยเสื้อผ้าภรอนที่สวยงามใช้เครื่องส ำ, าำอางใช้น้ําหอมน้ํามันต่างๆเพื่อให้เกิดความหอมความสวยงามในร่างกายเราก็ไม่ต้องเสียเวลากับการกระทําสิ่งเหล่านี้เราก็จะได้มีเวลา มาภาวนาเราจะไม่หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปการหลับนอนให้เป็นการหลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายซึ่งปกติแล้วถ้าร่างกายพักจริงๆเพียงสี่หรือห้าชั่วโมงก็พอเพียงต่อการพักผ่อนของร่างกายแต่ถ้าเรานอนบนฟูกหนาๆนะหลังจากที่ร่างกายได้รับการพักผ่อนแล้ว เืินขึ้นมาแล้วแทนที่จะลุกขึ้นมามาภาวนามาปฏิบัติธรรมก็จะเกิดความเกีียนคร้านอยากจะนอนต่อเพราะยังติดกับความสุขความสบายที่ได้นอนบนฟูกหนาๆนะเราจึงต้องไม่นอนบนฟูกหนาๆนะให้นอนบนพื้นแข็งๆเพราะว่ามันจะไม่สบาย พอร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อก็จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาภาวนาต่อได้จะได้ไม่เสียเวลาเพราะถ้านอ น, นล่นงคู่หนาๆ น, านี้หลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อนสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงแล้วก็จะนอนต่ออีกสามหรือสี่ชั่วโมงมก็จะเสียเวลาที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติ ต่อการหลุดพ้นต่อการบรรลุนักผลผนิพานนี่คือเป็นการสร้างเวลาให้กับการปฏิบัติไม่เอาเวลาไปหาความสุขกับการร่วมหลับนอนผู้อื่นไม่เอาเวลาไปรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขตนอกจากเสียเวลาในการรับประทานแล้วยังทำให้เกิ ด, ดนิวรคือความง่วงเหงาหงานอนความเกียดค้าน สารประธานอาหารมากเกินไปแล้วก็จะไม่อยากจะเดินจงกลบไม่อยากจะนั่งสมาธิอยากจะหลับอยากจะนอนแล้วถ้าไปหาความสุขกับสิ่งบันเทิงต่างๆก็จะเสียเวลาไปอีกหลายชั่วโมงไปดูไปฟังเสียเวลากับการแต่งเนื้อแต่งตัวดูแลเสื้อผ้าอภรร พอซื้อผ้าเมื่อใส่แล้วก็ต้องก็ต้องเอามาซักเอามาดูแลก็จะเสียเวลามากโดยใช่เหตุอันนี้เป็นการตัดเวลาที่ไม่จําเป็นที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้กับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะได้มีเวลาเพิ่มมาเพิ่มมาใช้ในการปฏิบัติถ้าเราถือสิ่งแต่หน้านี้เราจะมีเวลาให้กับการปฏิบัติอย่างมาก เป็นวันหนึ่งเราก็นอนสี่หชั่วโมงสี่ห6าหรือหชั่วโมงตอนเช้าก็อาจจะนอนสัก5ชั่วโมงสีชั่วโมงตอนกลางวันก็อาจจะพักรักหนึ่งชั่วโมงเช่นตอนกลางวันหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วก็จะไม่สะดวกต่อการ เ, เดินโยกรมนั่งสมาธิก็พักสักหชั่วโมงแต่พอได้พักแล้วทีนี้ตื่นขึ้นมาก็จะมีเวลาว่างสามารถปฏิบัต ตั้งแต่บายไปจนถึงถึงเวลาหลับนอนสามทุ่มสี่ทุ่มได้ก็ได้ถึงแปดชั่วโมงย่ำต่อเนื่แล้วพอพักผ่อนสี่ห้าชั่วโมงตื่นมาประมาณตีสามตีสองตีสองตีสามก็ภาวนาต่อไปจนถึงสว่างพอถึงสว่างถ้าต้องทำมีหน้าที่ทำหาหาจัดหาอาหารมารับประทานก็ทำไป แล้วยิ่งถ้ารับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวได้ก็ยิ่งจะมีเวลาให้กับการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเช่นตอนเจ้าเราเตรมอาหารรับประทานอาหารภายในเจ็ดโมงแดโมงนี่เราก็จะเสร็จแล้วกับเรื่องรับประทานอาหารเราก็จะมีเวลาว่างหลังนะจากปดโมงไปก็สามารถภาวนาไปได้แลือนะถ้าว่าภาวนาแล้วเกิดอาการ ง่วงเหงาเอาจนอนก็อาจจะพักสักชั่วโมงหนึ่งพักช่วงกับวันสักชั่วโมงแล้วพอบ่ายตือนขึ้นมาก็เดินจนกลมนั่งสนาี่ต่อนี่คือการปฏิบัติเพื่อให้ได้ได้ผลต้องปฏิบัติในลักษณะนี้คือต้องเป็นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต้องเป็นภารกิจที่ ที่จำเป็นที่จะต้องทำเพียงภารกิจเดียวภารกิจอย่างอื่นก็ทำไปเท่าที่จำเป็นเช่นการรับประทานอาหารการดูแลรักษาสถานที่พักให้สะอาดให้เรียบร้อยการซักเสื้อผ้าที่เราใช้นุง่งห่มอันนี้ก็เป็นภารกิจที่จำเป็นจะต้องทำแอบบถือว่าเป็นภารกิจรองภารกิจหลักก็คือการภาวนาการเจริญสติ นี่คือการจัดสรรเวลาให้กับการปฏิบัติพอเรามีเวลาแล้วทีนี้เราก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นหลักการเดินจงกรมในการนั่งสมาธินี้ในเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ยังไม่มีสติก็คือเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดสตินั่นเองให้เกิดสมาธิให้เกิดสติสมาธิจะเกิดได้ก็ต้องมีสติเป็นผู้ควบคุมจิตใจ ให้ร ง, งับความคิดปูงแต่งต่างๆพอไม่มีความคิดปูงแต่งเวลานั่งสมาธิจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วดังนั้นในเบื้องต้นถ้ายังไม่มีสติยังนั่งสมาธิแล้วไม่สงบก็ต้องเจริญสติอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไม่ว่าจะทา ภารกิจอันใด น, นอกเหนือจากการเดินจงกรมนั่งสมาธิการจจริญสติก็ยังต้องทําต่อเช่นเวลาอาบน้ําอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารทําความสะอาดทําอะไรต่างๆเวลานั้นก็เป็นเวลาที่ต้องเจริญสติควบคู่กันไปก็ ค, คือคให้มีอะไรกํากับใจไว้ดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ นอกเหนือจากเรื่องที่เราต้องคิดเกี่ยวกับการที่เรากำลังทำอยู่เท่านั้นเราจะใช้การบริกรรมพุโทโธควบคู่ไป ก, กับการทำงานของเราก็ได้หรือเราจะใช้สติเฝ้าดูร่างกายดูการกระทำของร่างกายในทุกิริยาบทในทุกการเคลื่อนไหวอันนี้เลินงใจไว้ให้เฝ้าอยู่อยู่กับร่างกาย ให้ตั้งอยู่กับที่ร่างกายเพียงอย่างเดียวอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติใจไม่ไปเผลอไปคิดถึงเรื่องต่างๆเช่นเวลาเผลอก็คือเราอาจจะเดินจงกมแต่ใจเราอาจจะคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในอดีตหรือคิดถึงเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้ก็เรียกว่าเผลอสติแล้ว ไม่ได้อยู่ในปัจจุบันไม่ได้อยู่กับที่ตั้งของสติคือร่างกายหรือที่หรือที่พุทโธถ้าเราใช้พุทโธเป็นที่ตั้งเราก็ต้องบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเราใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งเราก็ต้องเฝ้าดูร่างกายไปเรื่อยๆถ้าเราทำอย่างนี้อย่างต่อเ น, นื่องเราก็จะมีสติขึ้นมาคือจิตจะไม่สามารถลอยไปลอยมา ไปนั่นมอนี่ได้เวลามีสติแล้วเราก็สามารถดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันได้ดึงจิตให้หยุดจากการคิดปรุงแต่งได้เวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อันนี้คือการปฏิบัติเบื้องต้นคือการจเจริญสติและสมาธิเราต้องพยายามทาให้มากจนกว่าเราจะ มีความชำนาญสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาบางการจะเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้ตอนต้นเราเข้าไปแล้วอาจจะเข้ายากกว่าจะเข้าไปได้แต่ละครั้งอาจจะต้องใช้เวลาถึงยี่สิบสามสิบนาทีกว่าจะสงบได้แต่ถ้าสติเรามีกําลังมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเดียวห้านาทีก็เข้าสู่ความสงบได้ แล้วถ้ามีสติมากก็จะสงบได้นานขึ้นไปตามลาดับด้วยใหม่ๆก็จะเข้ายากแล้วสงบก็สงบได้เดียเด๋ยวแล้วก็จะถอนออกมาแต่ถ้าเราจะเรีนสติต่อไปเช่น อ, อ่เวลาถอนออกมาแล้วเราก็จะเรีนสติต่อไปเริยนคาพุทธโธต่อไปถ้าดูลมหายใจก็ดูลมต่อไปถ้านั่งไม่ได้ลุกขึ้นมา ก็บรกิกรรมเดินลุกขึ้นมาก็ไปเดินจงกลมแล้วก็บรกิกรรมพุโทโธใหม่เวลาเดินถ้าดูลมไม่ได้ก็ให้ดูการเคลื่อนไหวดูเท้าดูการเคลื่อนไหวของเท้าว่าตอนนี้กําลังก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาให้มีงานทําไม่ให้จิตจะเพื่อจิตจะได้ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆอันนี้ก็คือการเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่อง หลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วเราก็ต้องเจริญสติต่อไปทำต่อไปเดินจนรู้สึกว่าเมื่อไแล้วก็อยากจะนั่งก็กลับมานั่งใหม่มาดูลมหายใจใหม่หรือบริกรรมมาบริกรรมพุโทโธต่อสุดท้าแต่ว่าจะใช้อารมณ์ใดเป็นเป็นเครื่องผูกใจเอาไว้ให้ใจเข้าสู่ความสงบถ้าเราทําอย่างนี้อย่างต่อเ น, นื่องแล้วความสงบก็จะ เข้าได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นและก็จะอยู่ได้นานขึ้นพอเรามีความชำนาญในการเข้าสมาธิแล้วและมีพลังอุเบกขาที่เกิดจากการนั่งอยู่ในสมาธิได้นานๆใจเวลาออกจากมาจากสมาธิใหม่ๆก็จะสงบเย็นจะไม่คิดปรุงแต่งแต่ก็จะถ้าไม่ใช้สติหรือใช้ปัญญาก็จะท้าปล่อยให ให้เป็นปายตาอัธยาศัยไม่นานก็จะคิดปูกแต่ ง, งนั้ น, อ, นอย่างนี้ได้เาะนั้นผู้ที่ออกจากสมาธิแล้วถ้าต้องการจะเจริญสติต่อก็ต้องก็ต้องบริกรรมพุโทโธต่อหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อไปแต่ถ้าต้องการจะพิจารณาทางปัญญา <c oughs> ก็พิจารณาก็เจริญปัญญาไนดะ้ด้วยการพิจารณาปลายรักคืออนิจจ์ทุกขังอนัตตา ในสิ่งต่างๆที่ใจมีความผูกพันมีความรักมีความหวงอยู่พิจารณาเพื่อจะได้ปล่อยวางเพื่อจะได้ไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่รักที่หวงที่ห่วงใยเพราะว่าถ้าพิจนารณาแล้วก็จะเห็นว่าของที่เรารักของที่เราชอบของที่เราหวงนี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องจากเราไป ไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากสิ่งที่น่ารัากกลายเป็นสิ่งที่น่าชังไปหรือสิ่งที่น่าเกลียดไปเพราะทุกอย่างมีการเสื่อมไปเป็นตามธรรมดาพิจารณาให้เห็นว่าเราไม่สามารถยุติกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ไม่สามารถยุติกระบวนการของการเจริญและเสื่อมของสิ่งต่างๆได้นะ พิจารณาให้เห็นว่าถ้าเราอยากให้สิ่งต่างๆคงเส้นคงวาเป็นอยู่เหมือนเดิมแล้วเขาไม่อยู่อย่างที่เราต้องการเป็นอย่างที่เราต้องการเราก็จะไม่สบายใจเราก็จะทุกข์ใจถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็ต้องปล่อยวางเราต้องไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราต้องพิจารณาให้เห็นว่าเขาเป็นอย่างไร <c oughs> ก็ต้องเป็นอย่างนั้น นี่คือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญารักษณะนี้ก็เป็นการเจริญแบบทำการบ้านคือในขณะที่ยังไม่เกิดเหตุการ์ขึ้นมาสิ่งต่างๆที่เราักเราชอบยังอยู่กับเราอยู่แต่เราทำการบ้านเตรียมตัวไว้ก่อนเผื่อถึงเวลาเกิดเหตุการ์ขึ้นมาก็าเหมือนกับเราต้องเข้าห้องสอบ ถ้าเราได้ทำการบ้านไว้แล้วเวลาเข้าห้องสอบนี้ก็จะสามารถทำข้อสอบได้สามารถสอบผ่านได้คือพอเกิดเหตุการณ์จริงเกิดการสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปแทนที่เราจะร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเราก็จะรู้สึกสบายอกสบายใจหวดภาระกันไปไม่ต้องมาดูแลไม่ต้องมารักษาไม่ต้องมาห่วงมาห่วงกัน ถ้ามีปัญญาจะปล่อยได้จะไม่ทุกข์กับการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแม้แต่การสูญเสียชีวิตร่างกายนี้ก็จะไม่ทุกข์กับมันเพราะว่าได้ทําการบ้านมาแล้วพารู้แล้วว่าถ้าไม่ยอมให้ร่างกายนี้สูญเสียจากเราไปอยากจะให้อยู่ในขณะที่ความจริงร่างกายจะต้องจากเราไปเวลานั้นเราก็จะทุกข์ทรมานใจ แม้แต่หลังจากที่ร่างกายนี้จากไปแล้วก็ยังเศร้าสศกเสียใจคือถ้าเป็นคนอื่นที่เขารักเราเขาก็ยังเศร้าสศกเสียใจก็ยังรับความจริงของการสูญเสียของร่างกายของเราไปไม่ได้เราเองก็ต้องไปเกิดด้วยความทุกข์ทรมานใจด้วยความเศร้าสศกเสียใจเพราะเราสูญเสียร่างกายที่เรารักไป หรืออย่างน้อยเราก็ต้องทุกข์กรมาณใจในช่วงที่ร่างกายใกล้จะตายถ้าเราไม่ได้ทำการบ้านเอาไว้ล่วงหน้าก่อนแต่ถ้าเราทำการาบ้านบ้านล่งหน้าไว้ก่อนเราก็จะทำใจให้สงบได้ทำใจให้ปล่อยวางร่างกายได้เราก็จะตายอย่างสงบไปอย่างสงบไปอย่างสบายนี่คือปัญญา การจเจริญปัญญาในส่วนใหญ่ก็จะเจริญแบบทําการบ้านไปก่อนเพราะว่าเหตุการณ์จริงยังไม่เกิดขึ้นแต่ในบางเวลาก็จะมีเหตุการณ์จริงปรากฏขึ้นมาทันทีเวลานั้นก็ต้องใช้ปัญญาทําข้อสอบคือดับความทุกข์ความวุ่นวายใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทันเดือนให้ได้เช่นไปประสบกับเหตุการณ์ที่ทําให้มีความทุกข์ใจขึ้นมา อาจจะถูกคนอื่นเข้าตาหนิตีเตียงว่ากาล่าวเราเกิดอารมณ์ขึ้นมาไม่พอใจโกรธแค้นกดเคืองขึ้นมาอันนั้นก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าบุคคลที่เขาทำตัดทํารือพูดนี้เขาเป็นอะไรก็ เ, เป็นอัตตาหรือเป็นอนตัตาก็เป็นสิ่งก็ เ, เป็นสิ่งที่เราควบคุมบั ง, บงคับได้หรือไม่สั่งให้เขาทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้หรือไม่สั่งให้เขาหันซ้ายหันขวาได้หรือไม่ สั่งให้เขาพูดแต่ดีๆกับเราได้อยู่ไหมถ้าเราสั่งเขาไม่ได้เ ร, เราก็ต้องทำใจว่าถ้าเราไปอยากให้เขาพูดดีกับเราแต่เขาไม่พูดดีกับเราเราก็จะทุกข์ทรมานใจเพราะความอยากของเราเองแต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะดูอยากจะดา่าล้วอยากจะโกรธอยากจะเกลียดเราก็าต้องปล่อยให้เขาโกรธ <ing into> <minds> ใ, ให้เขาเกลียดต่าไป หน้าที่ของเราก็คือต้อ ง, งระงับความทุกข์ใจให้ได้การระงับความทุกข์ใจก็ต้อ ง, งระงับความอยากที่เกิดจากที่อยากจะให้เขาพูดดีกับเราการจะระงับความอยากได้ก็ต้องเห็นความจริงว่าเขาเป็นอนัตตาเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราเห็นความจริงอย่างนี้แล้วเราก็จะหยุดความอยากได้ พอยู่ความอยากได้ก็จะอยู่ความทุกข์ใจได้อันนี้เวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาปัจจุบันทันเดือนก็ต้องใช้ปัญญาใช้ตายรักเหมือนกันหรือกเกิดเหตุการณ์สูญเสียสิ่งที่เรารักไปหรือคนที่เรารักไปทําให้จิตใจเราไม่สงบทําให้จิตใจเราฟุ้งซ่านทําให้จิตใจเราทุกข์ทรมารเราก็ต้องพิจารณาตายรักเช่นเดียวพิจารณาว่า เขาไม่เท wow. <bead. S 2> ี be, be, away, only, well ่ยงเขามีเกิดมีดับเป็นธรรมดาเขาไปแล้วจากเราไปแล้วเขาดับไปแล้วเขาเป็นอนัตตาเรายับยั้งเขาไม่ได้ยับยั้งการดับของเขาไม่ได้เราเป็นทุกข์เพราะว่าเราไม่ยอมรับความจริงเรายังอยากจะให้เขาอยู่กับเราต่อไปแต่เขาไปแล้วถ้าเราใช้ปัญญาเราก็จะยอมรับความจริงเขาไปแล้วจะไปอยากให้เขากลับมาก็ไม่มีวันที่จะกลับมา แล้วเราไปทุกข์ทำไมเราไปอยากทาไมอยากไปแล้วก็ทุกข์ไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนาก็จะหยุดความอยากหยุดความทุกข์ได้อันนี้คือการใช้ปัญญาในขณะที่อยู่ในเหตุการ์จริงเกิดเหตุการ์จริงขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าอยากจะดับความทุกข์ใจก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งที่ กำลังเกิดขึ้นกับเราในสิ่งที่เรามีความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราต้องพิจารณาว่าเราอยากไม่ได้เพราะเขาเป็นอนัตตาเขาไม่ได้อยู่ภายใต้ความอยากของเราเขาอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังคือไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีการเปลี่ยนแปลงไ ป, ไปเป็นธรรมดานี่คือการใช้ปัญญา หลังจากที่เราได้สมาธิแล้วถ้าเรายังไม่ได้สมาธินี้เราจะไม่มีกําลังที่จะมาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลได้เพราะอารมณ์อยากนี้มันจะรุนแรงก็จะทำให้เราไปทาบาทำกทากรรมได้เวลาที่เกิดความทุกข์ใจเกิดความอยากขึ้นมาก็พยายามที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราอยาก ให้เป็นไปตามความต้องการของเรานี่คือเหตุผลที่ทําให้คนทําบาปทํากรรมกันเพราะเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วต้องการที่จะให้เป็นไปตามความอยากก็จะทําทุกวิธีทางเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองอยากได้หรืออยากเป็นก็จะไม่คำนึงถึงเรื่องศีลธรรมจะไม่เกงกลัวต่อบาป ก, กรรมเพราะตอนนั้นอารมณ์มัน มันอุ่นแรงมันครอบงามจิตใจชั่ววูบเขรียกว่าชั่ ว, วูอารมณ์ชั่ววูแม้แต่พ่อแม่ยังฆ่าได้เวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมานั่นก็เป็นเพราะว่าไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธิถึงแม้จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ยังมีแรงต้านมีสมาธิมีอุบเบกขาที่พอจะต้านพอที่จะให้มีเวลาใช้ปัญญา คิดพิจารณาให้ควรได้ว่าปัญหามันจริงๆอยู่ตรงไหนปัญหาจริงๆก็อยู่ตรงที่อารมณ์ของเรานั่นเองความอยากของเราพออยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาพอเกิดความโกรธขึ้นมาก็อยากจะทําร้ายบุคคลที่ทําให้เราโกรธแทนที่จะมาดับความโกรธดับความอยากก็ไปดับคนที่เขาทาให้เรา โกรธก็เลยทำให้ต้องไปทําบาปทํากรรมถ้าดำต้นเหตุคือความอยากหรือความโกรธทางใจได้ด้วยการให้อภัยหรือด้วยการเปลี่ยนใจว่าอ้างไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็จบไม่อยากได้ก็ได้อยากได้ตอนต้นแต่ถ้าไม่ถ้าต้องไปฆ่าเขานี่ไม่เอาดีกว่าก็เปลี่ยนใจได้เพระเปลี่ยนใจได้ก็ไม่ต้องไปทําบาปทํากรรม ก็ใช้ปัญญาดับความดับอารมณ์ที่สร้างความทุกข์ทรมานใจให้เกิดขึ้นมาในตอนนั้นนี่แหละคือการปฏิบัติเพื่อให้เราดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดหรือจะเกิดขึ้นมาภายในใจในอนาคตเราต้องพิจารณาล่วงหน้าไว้ก่อนพิจารณาการพัดพลาการสูญเสีย พิจารณากับเหตุการณ์ที่เราจะต้องตระชิญที่เราไม่ปรารถนาเช่นพบกับสิ่งที่ความเสื่อมทางโลกธรรมเช่นเสื่อมเสื่อมลาบเสื่อมยศพบกับนินทาพบกับความทุกข์ต่างๆได้ะ จ, จะได้ปล่ อ, อยวางและผ่านไปได้ปล่อยวางความอยากที่จะรักษาไม่ให้ลาบยศเสื่อม ที่จะไม่ให้มีนินทาห้ามไม่ได้การนินทาต่อให้เป็นพระอาชามาอากาศัตริ์เป็นปรธานาธิปดีเป็นนายกพัฒมนตติก็ยังมีคนด่าอยู่ทุกวันมีทำได้อย่างเดียวก็คือทำใจอย่าไปนสนใจไห้คิดว่าเป็นเรื่องของปากคนไม่ใช่เรื่องของเราปากคนนี้เป็นอนัตตาเราห้ามเขาไม่ได้ เราห้ามใจเราได้ใจเราอยากไปอยากให้คนสรรเสริญเราเพียงอย่างเดีย ว, แ ล, วแล้วก็จะไม่เป็นปัญหาอย่างไรเม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังมีคนจำละมีคนละคนลหานินทามีคนกล่าวว้ายต่างๆนานานนการอยู่ในโลกนี้โดยที่จะไม่มีการถูกนินทานี้จึงเป็นเรื่องเป็นที่เป็นไปไม่ได้ ต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับกับการนินทารับกับการเสื่อมของราบของยศรับกับความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบไปนี่คือปัญญาที่เราจะต้องศึกษาเตรียมใจเอาไว้สอนใจเอาไว้ซ้อมเอาไว้ก่อนทําการบ้านเอาไว้ก่อนแล้วก็ม า, ม า, ม, า, ม, า, ม, ามาเข้าห้องสอบ ที่เราสามารถควบคุมข้อสอบได้เช่นการสูญเสียทรัพย์นี่เราสามารถเข้าห้องสอบแล้วควบคุมได้ว่าจะจะเสียเท่าไหร่เช่นวันนี้อยากจะเสียกี่พันอยากจะเสียกี่หมื่นก็ลองทดลองดูว่าจะทําข้อสอบได้ในระดับไหนระดับพันระดับหมื่นระดับแสนหรือระดับล้านอันนี้เป็นข้อสอบห้องสอบของเราที่เราสามารถควบคุมข้อสอบได้ เลือกข้อสอบได้ว่าจะทำข้อสอบระดับที่หนึ่งที่สองหรือที่สามความยากง่ายของข้อสอบมีหลายหลายระดับด้วยกันถ้าอยากจะทำข้อสอบที่ยากที่สุดก็คือสละสมบัติทั้งหมดให้แก่ผู้อื่นไปเลยจะได้ออกไปอยู่วัดไปบวชจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายไม่ต้องมายุ่งกับการหาเงินหาทองรักษาเงินรักษาทองใช้เงินใช้ทองที่ไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริง ที่ให้ความทุกข์มากกว่าทุกข์เพราะต้องหาพวกทุกข์เพราะต้องรักษาทุกข์เพราะเสียดายเสียใจเวลาที่ต้องเสียไปนะอันนี้ก็คือข้อสอบที่เราสามารถที่จ ะ, ะกำหนดขึ้นมาได้เช่นเดียวกับข้อสอบของศีลเราก็กำหนดได้ว่าจะเอาศีลระดับไหนระดับศีล5ระดับศีล8ระดับศีล10ระดับศีลสอร้ิระดับศีล300กว่าข้อ ศีลของภิกษุณีถึงแม้ไม่มีภิกษุณีถ้าเราอยากจะรักษาศีลของภิกษุณีเราก็รักษาได้ไม่มีกายห้ามอยากจะเป็นภิกษุณีก็เป็นได้ไม่ต้องบวชรักษาศีลของภิกษุณีก็เป็นภิกษุณีแล้วก็ไปศึกษาดูเสร็จในพระไตรปิฎกก็มีเขียนไว้ว่าศีลของภิกษุณีมีกี่ข้อก็ลองรักษาดูว่าจะรักษาได้หรือเปล่าไม่ต้องมาโวยวายมาวุ่นวายเดิน เดินปตะทวงเรียกร้องขอให้อริญญให้บวชเป็นภิกษณุณีพระพุทธเจ้าไม่ห้ามถ้าจะบวชทางใจนี้บวชได้ตลอดเวลาวันนี้ก็บวชได้เราก็เพียงแต่กรหัวแล้วก็แทนที่จะนุ่งสีขาสีกักแล้วก็นุ่งสีขาวไปเท่านั้นเองแล้วเราก็รักษาศีลสาม้อยสามสิบกี่ข้อนี้ไปเจ็บษ า, า ด, ดูในพระไตรปิฎกการรักษาศีลได้สาสมากเท่าไหร่ก็แสดงว่าเรามีสติกำลังสติ กำลังของสติของเรามีมากเราสามารถควบคุมความอยากของเราได้เพราะศีลต่างๆนี้ก็มีไว้สำหรับควบคุมความอยากที่จะไปทำอะไรได้เท็ต่างๆนล่นเอทำอะไรที่ไม่สวยงามทำแล้วก่มให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมานี่เราก็สามารถกำหนดข้อสอบของเราได้การภาวนาเราก็กำหนดได้เช่นเราจะนั่งนานสักเท่าไหร่ ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงเราก็กำหนดได้ข้อสอบของเราแต่ข้อสอบบางอย่างนี้เรากำหนดกหนดไม่ได้เพราะเขายื่นมาให้เราเช่นสามีขออยากข อ, อยาเราอย่างนี้เราจะทำยังไงตอนนี้เราไปเลือกไม่ได้แลอวตอนนะั้นเราต้องทำอย่างเดียวทำไม่ได้ ừ. ถ้าทำได้เราก็จะไม่ทุกข์ถ้าทำไม่ได้เราก็จะทุกข์รู้สามี บอกว่าไปหาหมอมาหมอว่าจะเหลือเวลาไม่นานจะต้องตายแล้วอันนี้เป็นข้อสอบที่เราเลือกไม่ได้แต่เราก็ต้องทบทการบ้านเตรียมไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะโดนข้อสอบนี้เมื่อไหร่เหมือนกับไปโรงเรียนสมัยก่อนนี้มีบางวันครูก็จะครูเขาจะให้สอบทันทีโดยไม่บอกล่วงหน้าก่อนเพื่อจะได้กระตุ้นให้เราเตรียมตัวทําการบ้านไว้ล่วงหน้าก่อน สมัยทเราเรียนนี่มีครูบางคนเขาจะทําอย่างนั้นเขาจะไม่บอกวันสอบเดี๋วเวลาก็ก็สอบเลยอะไรอย่างนี้แหละเป็นเป็นการที่จะทําให้เราไม่ประมาทที่จะทําให้เราเตรียมตัวเตรียมใ จ, จเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนพระอนนโ์ว่าเธอยังประมาทอยู่ถ้าเธอเพียงพิจารณาความตายเพียงวันละสี่ห้าครั้ง ถ้าเธอไม่อยากจะประมาทเธอต้องพิจารณาทุกเวลานาทีเธอต้องพร้อมที่จะตายทุกเวลานาทีต้องคิดว่าเราอาจจะตายตอนนี้เมื่อไหร่ก็ได้หายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายอันนี้แหละเป็นเป็นลักษณะของผู้ปฏิบัติที่ไม่ปฏิบัติที่ไม่ประมาทมมาคือจะพิจารณา เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นโดยสมมุติว่าอาจจะเกิดขึ้นในวันนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ถ้าเตรียมตัวรับได้แล้วทีนี้ก็จะสบายไม่มีความวั่นไหวครูจะเรียกให้ทำข้อทำข้อสอบวันไหนก็ทําได้เพราะเราเตรียมทําการบ้านมาอยู่ทุกวันทุกเวลาพร้อมที่จะเข้าห้องสอบทุกเวลาเวลาสอบก็จะผ่านได้อย่างสบาย นี่คือลักษณะของการเจริญปัญญามีอยู่หลายลักษณะด้วยกันลักษณะแบบทำการบ้านไปก่อนการทำการบ้านก็สามารถ เ, าเลือกทำเอาจะทำการบ้านข้อไหนก่อนข้อไหนหลังแล้วก็ลักษณะของการเข้าห้องสอบก็มีแบบที่เรากาหนดข้อสอบได้กับแบบที่เรากาหนดข้อสอบไม่ได้เราก็ต้องพร้อมรับกับข้อสอบทุกรูปแบบถ้าเรา อยากจะไม่ให้ใจของเราเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือการปฏิบัติถ้าไม่ได้อยู่ในสมาธิออกจากออกจากสมาธิมาก็ต้องพิจารณาปัญญาไปเรื่อ ย, อยพิจารณาจนเหนื่อยก็หยุดพิจารณาแล้วก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่สลับกันทำไปอย่างนี้เรื่อยๆพิจารณาทุกแง่ทุกมุมทุกรูปทุกแบบจนกว่าเราจะปล่อยวาง สิ่งที่เราพิจารณาได้คือไม่ยึดไม่ติดไม่หลงเช่นร่างกายก็ไม่ยึดไม่ติดไม่หลงว่าเป็นตัวเราของเราพิจารณาว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาพิจารณาว่าถ้าไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะท้องทุกข์ถ้าไม่อยากทุกข์ก็จะต้องปล่อยร่างกายให้แก่ให้เจ็บให้ตายไปยอมรับความจริง พอเราพิจารณาแล้วคิดว่าเราทำการบ้านได้แล้วที่เราก็เข้าห้องสอบเช่นความเจ็บราก็นั่งปล่อยให้มันเจ็บไปเวลาเจ็บก็ไม่ลุกใช้ใช้ปัญญาพิจารณาสอนใจให้หยุดความอยากที่อยากจะลุกอยากที่นั่งเพื่อให้ความเจ็บหายไปก็จะไม่ลุกปล่อยให้มันเจ็บไปเพราะความอยากลุกนี้จะทำให้เกิดความทุกข์ใจที่รุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายถ้าเราเอาชนะความอยากลุกได้ใจไม่ลุก ใจหยุดความอยากได้ความทุกข์ใจก็จะหายไปความเจ็บของร่างกายก็จะไม่รุนแรงไม่เป็นปัญหาต่อใจสิ่งที่เป็นปัญหากับใจไม่ใช่ความทุกข์ของร่างกายความเจ็บของร่างกายแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไปถ้าเราใช้ปัญญาสอนใจจนปล่อยความอยากนี้ได้ยอมรับว่าความเจ็บของร่างกายนี้เป็นอนัตตาเราไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้ เราลูกเดี๋ยวเขาก็มาตามมาอีกอีู่ดีเราลูกก็เดี๋ยวเราไปนั่งที่ไหนเดี๋ยวก็เจ็บขึ้นมาอีกดีถ้าเราไม่เจ็บจากการนั่งมันก็อาจจะเจ็บจากการเจ็บข้าได้ป่วยเจ็บจากการประสบกับอุบัติเหตุมันก็ต้องเจ็บอยู่ดีดงั้นเราหันมาทำใจอยู่กับความเจ็บดีกว่ารับความเจ็บให้ได้ไม่ต้องไปกลัวความเจ็บอย่าไปอยาให้ความเจ็บหายไปเพราะเราสั่งเขาไม่ได้ ถ้าเราเห็นความจริงอันนี้เราก็จะหยุดความอยากให้ความเจ็บหายไปได้หรืออยากจะหนีจากความเจ็บไปเพราะเรารู้ว่าหนีไม่ได้เขาเป็นเหมือนเงาตามตัวเรารุกขึ้นมาเดี๋ยวเราไปเดินมันก็เจ็บอีกแล้วเมื่อยแล้วกลับมานั่งใหม่มันก็เจ็บอีกแล้ ว, ลวถ้าเราอยากจะผ่านข้อสอบนี้เราก็ต้องปล่อยให้มันเจ็บแล้วก็ปล่อยให้มันหายไปเองพอมันหายไปเองแล้วทีนี้เราจะมีความ มีความกล้าหาญมีความมั่นมั่นใจว่าอ้เราสามารถฟันฝ่าอุปสรรคอันนี้ไปได้เรามีสติปัญญาพอที่จะสอนใจให้ปล่อยวางความอยากนี้ได้เราก็จะสามารถปล่อยวางความอยากอย่างอื่นได้ต่อไปโดยการใช้ใวิธีการการเจริญปัญญาแบบเดียวกันคือพิจารณาให้เห็นตายักให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยม ไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นก็จะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาพอเราจับประเด็นของการเจริญปัญญาได้แล้วทีนี้มันก็จะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วความทุกข์อยู่ตรงไหนมันไม่ถอยแล้วมันจะใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อถอดถอนความทุกข์ถอดถอนต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากต่าง ที่มีอยู่3ประการด้วยกันก็คือการมัตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาถ้าถอดถอนความอยากทั้งสามประการนี้ได้หมดไปจากใจแล้วก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจต่อไปแม้ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็ดีกับร่างกายของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีเกิดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกับสิ่งที่เรารักเราชอบก็ดี จะไม่เป็นปัญหากับใจผู้ที่ไม่มีความอยากใจจะรับรู้เฉยๆแล้วก็ปล่อยวางแล้วทุกอย่างมันก็จะผ่านไปนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติตามที่พ้ะเจ้าทรงสั่งสอนตั้งแต่การทำทานรักษาศิงเจริญสตินั่งสมาธิพิจารณาปัญญาเพื่อตอบถอน อุปทานถอดถอนตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจพอหมดแล้วใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเป็นคนไข้ก็หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บพอหายแล้วก็ไม่ต้องกินยาไม่ต้องรักษาอีกต่อไปผู้ที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติอีกต่อไปกิจภารกิจ ของใจก็หมดตรงนั้นภารกิจของพรหมจา ร, รยีก็หมดอุสิตังบ ร, รมจรรยารีย์การอภารกิจของในของพรอาจา ร, รย์นี้ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วสิ้นสุดที่การถอดถอนความอยากทั้งหมดให้ออกไปจากใจเหมือนกับการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บของร่างกายหมอก็บอกว่าหายแล้วกลับบ้านได้แล้วไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลอีกแล้วอ ผู้ที่สามารถกําจับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจด้วยการถอดถอนความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วก็ไม่มีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติอีกต่อไปก็มีแต่จะรับผลอนิสงจากการปฏิบัติก็คือปามังสุขขังได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่คือบรลมาสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดแแต่ปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้า พระทัยของพุทธเจ้าก็ยังเป็นปรมังสุขขังอยู่พระทัยของพุทธเจ้าก็ไม่ได้สูญหายไปไหนใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็เป็นปรมังสุขขังเหมือนกันไม่ได้สูญหายไปไหนใจของผู้ปฏิบัติอย่างพวกเราทั้งหลายนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็จะเป็นปรมังสุขขังเหมือนกันไม่ได้หายไปไหนเหมือนกันไม่ว่าจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายไม่เป็นปัญหามีก็ได้ไม่มีก็ได้ มีก็มีเท่าแต่เท่าที่ร่างกายมันจะอยู่ได้พอร่างกายมันอยู่ไม่ได้ก็เรื่องของร่างกายก็หมดไปแต่เรื่องของใจไม่มีวันหมดนะอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติเพื่อไปถึงพระนิพพานแล้วจะทําให้เราหายอันตรธานหายไปหมดความจริงเราไม่หายตอนนี้เราก็ไม่หายเราเป็นมนุษย์ล่องขนเท่านั้นเองคือเราไม่มีรูปไม่มีร่างใจไม่มีรูปไม่มีร่าง เมื่อในสิ่งที่ไม่มีรูปไม่มีร่างมันจะหายไปไหนได้อย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวใจไม่มีวันหายเราไม่มีวันหายสิ่งที่จะหายก็คือปรมังทุกขังเท่านั้นเองคือความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดที่ได้สะสมมาเป็นกลับเป็นการนี้ก็จะหายไปหมดเลยเหลือแต่ปรมังสุขขังดังนั้น หน้าที่ของเราจึงอยู่ที่การศึกษาและการปฏิบัติต้องทำแบบต่อเ น, นื่องทาแบบเอาจิงเอาจังอย่าทำแบบมือสนักรเล่นเอาแต่เฉพาะวันเส า, น า, นร า, าร์วันอาทิตย์วันหยุดราชการวันอื่นก็ขอไปเวียนไหว้ตายเกิดต่อถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากการเวียนไหว้ตายเกิดได้เอาแล้วนะขอพักไว้เพียงเท่นี้ก่อน เป็นไงเปิดธรมนี้มีใครตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานอะไรไว้บ้างหรือเปล่าหรือเหมือนเดิมไปเรื่อยๆสบายๆายายขออยู่ขาเรียนต่ออีกแปดปีห <c oughs> รือว่ารอบนี้ต้องให้ต้องให้ได้อะไรสักเลาะสักอย่างนะภายในแปดปีนี้แปดปีแรกไม่ได้อะไรก็แปดปีสองนี่ก็ขอให้ได้ <c oughs> อะไรบ้างก็ยังดี ไม่เบื่อความทุกข์น้งถ้าเบื่อความทุกข์ก็ต้องเบื่อกับความอยากอยากไปอยากเพราะต้นเหนตุของความทุกข์ก็คือความอยากมีใครอยากจะถามปัญหาอะไรัหมมีปัญหาเฟซบุ o กอยากจะถามหรือเปล่าขึ้นมาเลยต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟ e บุ o k และแฟนเพจพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับคำถามจากคุณหญิงนะครับ เคยได้ฟังคำกล่าวจากท่านหนึ่งว่ามีสิ่งที่เหนือนิตพานไม่เข้าใจว่าสิ่งนั้นมีหรือไม่และหมายถึงอย่างไรคะก็เพ <Vernon> <frontier ed> I mean ิ่งได้ยินวันนี้นะก็ก็ถามคนที่เขาพูดแน่ว่ามันคืออะไรครับอคำถามของคุณ เดนเกินนะครับดิฉันมากาบพาจารย์สุชาติเมื่อเดือนที่แล้วและดิฉันก็ได้เรียนถามท่านว่าบางครั้งนอนอยู่และภาวนาพุโทโธไปด้วยมีความรู้สึกเหมือนจะตายอิดอัดจึงตกใจลุกขึ้นท่านก็แนะนำว่าก็ให้ตายไปแต่ไม่ตายหรอก <c oughs> ดิฉันจึงมีคำถามอีกว่าดิฉันอยู่บ้านพอตื่นจิตก็จับพุโทโธทันทีลุกขึ้นมานั่งสมาธิ และเดินจงกลมโดยรวมประมาณหนึ่งชั่วโมงบางวันก็ไม่ถึงต่อมาก็สวดมนต์ทำวัดเช้าดิฉันยังมีภาระดูแลสามีเป็นชาวสวิตศาสนาโปรเตสแตแสนต์แต่เราอยู่ด้วยกันได้ดีอยากถามท่านว่าการปฏิบัติทุกๆวันเช่นนี้พอเพียงหรือไม่คะบางวันจิตก็สงบบางวันจิตก็ส่งออกไปแต่ก็รู้สภาวะ ที่จิตออกไปเพ่นพ่านข้างนอกดึงจิตกลับมาอยู่ที่พุโทโธดิฉันยังอยู่โรงเรียนอนุบาลค่ะแต่ก็ปฏิบัติทุทกๆวันผลคือเย็นขึ้นไม่มีโมหะและโทสะแต่ความอยากได้ยังมีอยู่บ้างเล็กน้อยขอสอบถามเจ้าค่ะทำถูกทางหรือไม่อยู่ถึงสวิตช์ไม่ทราบจะถามที่ไหน ก็ทำถูกแล้วล่ะการปฏิบัติก็เพื่อลดละความโลภความอยากต่างๆลบละความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปให้น้อยลงไปตามลาดับแต่เป้าหมายก็คือต้องให้มันหมดไปเลยคือไม่ให้มีความโลภความโกรธความหลงหลงเหลืออยู่เลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนเชื้อโรคเวลาเรารักษาร่างกาย ถ้าต้องการให้โครคภัยไข้เจ็บหายอย่างสนิทเราก็ต้องทําลายเชื้อโรคที่เป็นต้นเหตุของโครคภัยไข้เจ็บให้หายให้หมดไปให้ได้เพราะถ้าเชื้อโรคหมดไปแล้วโครคภัยไข้เจ็บก็จะหายยันใดความทุกข์ใจของเราการเวียนว่ายตายเกิดของเราก็เกิดจากความโลภความโกรธความหลงเกิดจากความอยากต่างๆนี่เองถ้าเรายังไม่สามารถกําจัด ค ว, ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เราก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกเพียงแต่ว่าถ้าเราถ้าเราปฏิบัติแล้วกาจัดให้น้อยลงไปพวกชาติของเราก็จะเวียนว่ายอยู่ในภพชาติที่ดีก็คือจะเกิดในสุคติตายไปก็จะได้ไปเป็นเทพได้เป็นพรหม แล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาสร้างบุญใหม่แล้วก็กลับไปเกิดในสุขติใหม่จนกว่าเราจะสามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปได้อันนี้หมายถึงการปฏิบัติทานศีลและภาวนาที่ยังไม่สมบูรณ์ค ทานเราก็ทําศีลเราก็รักษาภาวานาเราก็รักษาแล้วก็ภาวานาไปสงบบ้างไม่สงบบ้างปัญญาก็พิจารณาไปาตัดความโลภโกรธลงได้บ้างาบางทีก็ตัดไม่ได้อย่างนี้เรียกว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการเดินทางอยู่ยังไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางาก็ต้องพยายามทาให้มากขึ้นอย่างที่ได้แสดงไว้ในวันนี้ทานก็ต้องทําให้มากขึ้น เพิ่มข้อสอบให้มันสูงขึ้นจากการเคยให้ครั้งละร้อยก็ให้เป็นครั้งละพันจากครั้งละพันก็ให้ครั้งละหมื่นครั้งละแสนจนไม่มีอะไรจะให้แล้วเพราะนั้นก็จะได้ควาจริงเราให้ได้แต่เราไม่ยอมให้กันเพราะเราจะเอาไปให้กิเลสกันกิเลสก็คือกระเป๋าใบใหม่เสื้อผ้าชุดใหม่รองเท้าคู่ใหม่ ไปเที่ยวเมืองนั้นเมืองนี้ไปฉลองรับประทานตามร้างตามโรงแรมต่างๆอันนี้เป็นการให้กิเลส ต, ตัณหาความอยากมันก็เลยไม่ได้ตัดกิเลส ต, ตัณหากลับไปเสริมสร้างกิเลส ต, ตัณหาให้มันมีมากขึ้นดังนั้นครั้งต่อไปถ้าจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็เอาไปทําบุญอยากจะได้ลุยวิตรองใบใหม่ก็ เอาไปทำบุญรหรือซื้อหวยวิตองมาแล้วก็เอาไปให้เขาอยากเก็บเอาไว้ใช้เองอย่างนี้ก็ได้ถ้าชอบอะไรอยากได้อะไรก็ซื้อมาแล้วก็เอาไปแจกคนอื่นอย่างนี้เป็นการเป็นการตัดความโลภความความความอยากต่างๆให้เบาบางลงไป แล้วเราก็จะได้จเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะใกล้มักผลนิพพานเข้าไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็จะถึงมรรคผลนิพพานได้อยู่ที่การเดินทางของเราอยู่ที่การปฏิบัติของเราถ้าเราเดินช้ามันก็ไปถึงช้าถ้าเราเดินเร็วก็จะไปถึงเร็วถ้าเราปฏิบัติน้อยก็จะถึงช้าได้ผลน้อย ถ้าเราปฏิบัติมากก็จะได้ผลมากได้ผลเร็วอยู่ที่การปฏิบัติเท่านั้นดังนั้นก็อยู่ที่เราว่าความต้องการของเราอยู่ตรงไหนถ้าเรายังพอใจกับสถานภาพที่เราเป็นอยู่เราก็ปฏิบัติเท่าที่เราปฏิบัติอยู่ถ้าเราไม่พอใจเราอยากจะให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเราก็ต้องปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ไม่มีใครสามารถที่จะมาเปลี่ยนสถานภาพของเราได้การปฏิบัติของเรานี่แหละจะเป็น <arn> การเปลี่ยนสถานภาพคือความสุขความทุกข์ภายในใจให้มากขึ้นน้อยลงไปได้อยู่ที่การปฏิบัติของเราถ้าปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นความสุขก็จะมากขึ้นความทุกข์ก็จะน้อยลงถ้าปฏิบัติน้อยลงความทุกข์ก็จะเพิ่มมากขึ้นความสุขก็จะลดน้อยลงไป อยูที่เราอยู่ที่อัตตาหิอัตาโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นผู้สร้างบุญสร้างบาปตนเป็นผู้สร้างความสุขสร้างความทุกข์ให้กับตนเวลาร้องห่มร้องไห้อย่าไปโทษคนอื่นโทษตัวเราเองเวลากินไม่ได้นอนไม่หลับอยากจะกระโดดตึกตายอย่าไปโทษคนอื่นโทษตัวเราเองทําไมคนอื่นเขาถึงไม่เขาถึงไม่เป็นเหมือนเรา ก็เพราะว่าเขาไม่ได้ทำเหมือนเราเขาไม่ได้คิดเหมือนเราอย่างนั้นขอให้เราดูที่ตัวเราเป็นหลักดูที่การปฏิบัติของเราผู้อื่นนี้เขาเป็นเพียงแต่เป็นผู้จุดชนวนเช่นเขาอาจจะทำอะไรให้เราไม่พอใจทำให้เราทุกข์ใจแต่ความทุกข์ใจที่แท้จริงนั้นเกิดจากความอยากของเราเอง ที่อยากจะให้เขาทำดีกับเราไม่อยากให้ทให้เขาทำร้ายเราพอเขาทำร้าย стве, เราเราก็เสีย อ, อกเสียใจทุกใจแต่ถ้าเราไม่ได้มีความอยากให้เขาทำดีกับเราเวลาเขาไม่ทำดีเราก็จะไม่ทุกข์ใจถ้าเราไม่มีความอยากไม่ให้เขาทำร้ายเราเวลาเขาทำร้ายเราเราก็จะไม่ทุกข์ใจ่างนั้น ปัญหาทั้งหมดนี้อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การปฏิบัติการที่เราไม่ปฏิบัติก็ทำให้เราไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความไม่สบายใจของเรานี่เองถ้าเราปฏิบัติมากทาทานมากรักษาศีลมากภาวนามากเราก็จะมีกำลังที่จะถอดถอนความอยากที่ฝังอยู่ในใจนี้ให้ออกไปได้มากขึ้นถ้าทำน้อยก็จะถอนได้น้อย ไม่มีใครถอนให้เราได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ถอนให้เราไม่ได้เังที่สงสัดว่าถึงแม้เธอจะเกาะชายผ้าเหลืองแต่ถ้าเธอไม่ปฏิบัติการเกาะชายผ้าเหลืองของเธอก็ไม่เป็นประโยชน์ใดถึงแม้เธอไม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองอยู่ห่างกายจากเราเป็นโยออย่างพวกเราอยู่ห่างกายจากพระบรมศาสดาเป็นพันเป็นสองพันกว่าปี แต่ถ้ามีการปฏิบัติถอดถอนกิเลสตัณหาอยู่เรื่อยๆก็เหมือนกับได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าก็คือใจที่มีความสงบใจที่มีความสุขใจที่ปราศจากตัณหาความอยากต่างๆนี่เองดัง น, นั้นขอให้เรายึดคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเราต้องเป็นผู้กระทาเป็นผู้ถอดถอนต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากต่างๆเอง ไม่มีใครจะทําให้กับเราได้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ไปโทษคนอื่นจะไม่มารอพบพรพุทธเจ้าองค์ต่อไปเพราะพบพระพุทธเจ้าองค์ต่อไ ป, ออ ไ, ปได้เกาะชายผ้าเหลืองชายผ้าเหลืองของะผ้าสีอ่านก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ปฏิบัติถอดถอนกิเลกตัณหาที่ฝังอยู่ภายในใจของเราให้หมดไป หน้าที่ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระ อ, องค์ก็มีเพียงแต่สอนให้เราถอดถอนกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดของเรานี้เท่านั้นที่ต้องสอนเฉเพราะว่าเราไม่รู้กันว่าต้นเหตุของความทุกข์ของเราอยู่ที่ความอยากของเรามีพอสอนแล้วเราก็ต้องพยายามถอดถอนด้วยการปฏิบัติ วิธีที่จะช่วยให้เรามีกําลังถอนถอนก็คือทําทานรักษาศีลและภาวนาถ้าทําทานรักษาศีลภาวนาไปเต็มที่แล้วเต็มร้อยดาวรับรองได้ว่าการถอดถอนกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจนี้ก็จะทําได้สําเร็จทําได้หมดสิ้นไปแล้วใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายใจก็จะมีแต่ความ <c oughs> สุขไปตลอด ไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือหน้าที่ของพวกเราขอให้พวกเราเตือนใจของเราอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาเพื่อมาถอดถอนกิเลสปัญหาไม่ใช่มาเสริมสร้างกิเลสปัญหาให้หมีมากขึ้นด้วยการทำตามความโลภกาทำตามความอยากต่างๆก็ขอฝากข้อคิดคำตอบของปัญหาให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาไป พ, พิจารณาและปฏิบัติ วความสุขและความเจริญในทมที่จะตามมาต่อไป